แล้วราไม่จร tamam. ิงเหรอว่าฮอกกามาสมมุดกันขึ้นมาสมมุดเดียวกับหังลงสมุติตัวของนั้นโดดวะนี่ทว่างนี่เป็นยังมันก็เป็นสิดอีมันก็เป็นมาน่ะความยึดมั่นถือมันอันความยึดมั่นเื่อมันนี่มันมันเป็นเรียงมันเป็นจบแบบมันจบก็เป็นตะเกียบมันเร่ยงเป็นวัตตะหลงสารมันก็ไหลไปดูขาดตะเกือน ไม่มีทางสิ้ไม่มีทางจบไม่มีทางจบสิเลยที่นี่คนที่ันหูจักสมุดแล้วก็หูจักวิมุตขันหูจักวิมุตทับแล้วก็หูจักสมุดอันที่รู้จักธรรมะอันมันหมดมันสิ้นเลยกค่าข้าวโซค้นนี่แหละข้าวโซคนนี่แหละ มันกับมีอเห็ละมอกจางฟงจีนนั่นแหแต่เกิดขึ้นมาลรกกันทีเพ่าฮันนี่คือมีคันคันหากว่าคือมันคือมุ่ขึ้นแต่สมุดกันถึงมาอัตมานั่นไปไปที่ชัจฉริยะบนใบเออสมุดคำว่าหัวจักมันมีสิ่งเหล้วมันกับเป็นโหดหลายคือมเป็นคองเอามาใส่ ให้มันหนจักเรื่องเล่ากันไปสือคาว่ามีคำพูดมันก็เร่มเรื่องสืเล่าสว่ากันเิ่มเรื่องสืบอกกันข้อามันกับบุญอาจจะมากไปเห็นปกพลังอืมไปนั่งกรรมฐานอยู่แบบแบบมันจะออกไปกับกุญยงผู้ไส้นั่งเป็นห้องลกขึ้นไปไม่ผู้กุยกัสังกุญยกัสังมันจจักง้อคนนั้นคนนี้เรื่อยไป เมาเห็นเลยว่าโอ้ยสมุดิคันเะตั้งบนวันไหนเดียวไยืนมันไม้หมันมันน่เกลื่อนี่อยู่บนหันบด็ก็เลยจะถือทีบันขันเท้าขันเท้าว่างสมุดขันได้คันน้อมใส่แล้วมันก็สบายยังตกหน่านน่ายพันทหารมากลายเป็นผู้ิเพราบัญญัตรขันน้าที่มันเจมาอย่า โอ้ยต้องความวัตถจับหัวให้วสสามันถุเลว่าคำนอมแล้วมันก็ะ บ, บุมมีสิษย์อยู่บายหัวคนนั้ น, นเหนี้เขามีใจสํำคันขันเขาละเลี้ยนั่นนะขันไปบายันอยู่การทางวันนแ้เราลุกเลี้ยงง่ายๆบอกมีที่ความลุกมันถือมัเนเท่าไหร่ตัวก็ว่างมันสบายอยู่ดีธรรมาบ่าคาว่าสิเอาหัวใหม่เขาบายแล้วก็ แต่สม so ุดต้องเลก็เป็นยังไงก็มันเป็นังอยู่นี้บายอยู่หอกอย่ขอมันอย่แต่เบื้องนี้ติดสี้ตัวอย่างขานาอกไปบายอยู่กางท้ามันปุ๊บเมื่อไรแต่เลยนี่นเรื่องการยอมการยอมการละการว่างการโป่งมันเบาจังสิขันตปยุตเมื่อไงมันเป็นโขกนหินมันเป็นชักบนหินนี้ติดนี่ไพ่ขึ้นบนหน เขาพูดจะอมเ่าไง่นาสอนเท่าหมดเด็กเขาเป็นสอนเหง่เท่าหมดตัยมันถูกเือมันมันกลิ่นมุดนะอย่าไปถือมันอย่าไปยึดมันยึดถือมันมันอย่ามียึดมันยึ้ถือมันมันทุกเมันเกิดเท่าหน้าโลกนี้มันก็อย่างสมุดเทานั้นมันจึงกลินขึ้นมา ขนเป็นขนมากแล่ขันเท่าสมุด้ลยญาติปฐมสมุดมันมันถกกันว่ามันเป็นเงินอยู่อืมมันเป็นเงิยอยู่เรื่องสมุดเรื่องบรญญัี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอืมถามพลเอกคยพลเอกว่างได้มันก็เศร้ากุกว่ากัเป็นจิริญาของโลกเข้คิดว่าอ่าอ่า ฟ อ, วอนะกวุ้ น, าน่น า, น, านี่สนสนนนนออเป็นหน้านนะเ่ก็กะกันใส่บริเวนาอันืองกินมูอก็ไม่เป็นสิไรก็ไดไมต้องคุ้นอ่ะบาทนี้่ะควรสั่งให้ฟอกวุ้นว่านเป็นหน้าเพื่อากะแต่หนเพื่อเขาเป็งมุดขึ้นนมันมีเพื่อว่าให้จะใส่สมุดหนี่ยจะหน่อยนึงมันมีต้อโคน ไกันเปสาให้อันเพื่อแต่เจสัเ่จะเ็ััหเพื่อมันกบเทีอืมคอ้่อกยกันหาจัยึฝาต้องคำพูดิตายก็ได้ครับเป็นหงอหัวเอาข้อนอะไรดวมือขึนอันนี้มันกบมเียนมันกบมียนให้ยในจงยนินี่อมันกับวปฏิบัติเป็นอเกียรอันนี้ไม่มีมนุษย์ท่างหลาอืมโยจะกุมคลองกันไป มันสือเ็นเนมาปั earth, s, s, aine, ้งแรก่านเป็นแมของเพื่อนเน่ยมันจะออกจาที่ทำงานมันมาห่อเท่านอ้าวแล้วเห็นก็ได้อยู่ตรงนี้จับหัวก็ะดยหัวในเพื่อนอ่ะเกิไปจับยันในาคนในหลายมันก็จะปิดเนื้อเนาะเพาะฉะนัเรียกว่าใครเสียดกันเยีนี้คนี่เจ้าคายยังทีมันก็เกิดประโยชน์เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มันสืเป็นมาตั้ง่ก่งพอว้นมากก็คองเสียด่ะันเพื่อนนมี้หลายนี่เพราะว่ามันเป็นอเพื่อเนี่ย เออเมื่กรเดืองก็จิตวิชเชวีนีน่รโลานี่ให้หูจักการให้หูจักเวราให้หูจักบุคคลอย่างนั้นคึดไปเี่ยมันทุกคนมันไม่มีที่ิ้นสุดหรอกเป็นยังไงเป็นสุสลาดให้สุสสารสมดก็ให้หูจักจ๋าดีมุดกันหูจักจะให้ให้หูจักเม่เข้าสรไม่เข้าสรือใจ ขันเท้าใส่ให้มันให้มันูกตซองมันมันมันกระเด็เป็นเมี่ยงพใส่บวให้มันสุดซองมันกระดิอืมมันคิดยังไงมันคิดที่เดของคนเล่ามันคิดอดีตแบบกเพราะคนกลุ่มนี้มันหุนจั๊กที่เดอดอยู่แหละมันเป็นที่เดือดที่เดือดีเรื่องปริบัติอืพปฏิบัติดจะสอนให้ฝึกใชุมช่นในบุคคลในกาลในวลามันก็ใส่สมุิมันก็ใส่ บัญยัติมีมุติอันไดตามสบายเดียวกว่าคนสลาดจริงที่ ท, ทานที่เอาข้ามสูงขนาดนั้นมากปฏิบัติในเวลานั้นมันก็บว์ม่เหตุการเิตุไปข้ามจังหวัดในเวลานั้นอันนี้มันจะเป็นธรรมะ ป, ปฏิบัติอันนึงอยู่คี่จังไม่อข้านึงกว่นจังนิ่งไม่ข้านิงกว่าจั ง, จงนิงนน มันก็จะหูจวจา ก, กส่วนปลายก็เดียวกว่าเขาอยู่ในข้อมในสมุดนี่อ่ะอืมมันก็เป็นอ่างนั้นมันถูกเอาข้อมไปยึดมันนีหมายมัมมนมันแต่สมุดไทมันเปลี่ยนมันก็เป็นขึ้นมาเลนขึ้นมาได้โดยฐานที่เขาสมุด แค่คนใสอีนนี้จะมันกระบวเป็นยังไงตาสูดรึงมหมดคืออาตมาเคยเล่เาฟังว่าพวกเราทั้งหลายเมมาบวชเป็นพระเน่ยตะกเป็นคาวะสมุดเป็นคาวะเมื่อเกิดสมุดเป็นพระเนจเป็นพระไม่มมสมุดจงแล้วมันจรงจังบวกหันเปียนบางมันเป็นพระเื่เองเชื่อมสมุด อ, อ, อันพ้าอีนีนนน้นันคือบวกหันเปลี่ยนโย พอเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติระจิฤทธ์ตายค่ายจิฤทขาดบุญฤทธิ์มันทุ่มเมันอันนี้ผ้าอันนี้คนส้อมูิในโบราณข้อมูลในโบอืณว่านเป็นผาแทม้มันเป็นเส้ส ม, มุดมันไม่เป็นย ม, ม, มุดที่ชาหว่าเรามาปฏิบัติให้ฤทธิ์มันฤุธ์คนจากอาชวะทั้งหลายเรานี เพิ่มขันขันไปจนเจ้าขันโนราสิกีฆาฆาอนาฆาไปอันนั้นมันเป็นเรื่องว่าเรื่อว่าที่ดเรื่องด้านที่ดีแปลว่านเนี่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องสมุดอยู่ถึงต่อเป็นพระอรหันต์อย่าสมุดสมุดอยู่คนสมุดหน่อยว่ามันเป็นพระอรหรันต์อันนั้นเป็นพระมืออะ น, นยังไงเป็นพระ ที uh, right, uh, country, like one, ่แรกมันกว่สมุดเป็นสพแา้ว่าคำสมุดเป็นธาล่อะเน่มันคืไรที่ดได้ดบมานกว่บอได้ที่กันเจ้าเกลือนี่ะการดินทรยไม่ใช่คำหนึ่งอว่ามีสมุดว่าเกลือเรือเลยมันเป็นสมุดบอลแหละมันก็เป็นยเป็นเกลือเี่ยเกลือเี่ยเกลือโดยสมุดเรื่องเกลืออีกทีเกลือพอเาหูตีเสียงมากกว่าบ้ประโยชน์มันเป็นไหนเต็แค่ไหนเต็มแค่ได้สมุดเนี่ คนปี่าเช่นมันไม่เป็นเืออี้นมันเกิดเปล่าขช่นนั้นเนี่ยมีอยกับตะมดเพราะงั้นเจอตะมดยหันเพราะว่าเกลือนั่มันไม่มีย่หันนันไม่ปดินทรายหรกาเอาดินทรมาตะมดตะมดว่าเกลืออย่างนี้นั่นก็ที่เกลืออันนี่เป็เกลือโดยฐานดินตมดเมื่เเกลืออนีคือมันเกิดเปลี่ยนไปจนความอยู่ไอยู่วไรเมื่อกะความอยู่ไปอยู่ใดเป็นบางอย่าง คูอในขันสมุดบนในขันมีมุดนี่อ่าส่วนมุดเนี่ยกาสมุดเป็นอะเดียกเหนมากก็ว่ะทุกทั้งหลายเนี่ยมันดุดผลจากของสมุดเนี่ยดูดมาจากอะไรออมาสมุดอยู่มันจะมนมุดเนี่ยมอกมาสมุดแให้เป็นมุดเออย่างนีนะมันก็เป็นเรื่องของพอปนิงานย่างแพร่สิ่งมันในนี้เนี่ มั่นกับอะไเป็นพระสมุทรเป็นพระโรยยีมิตพระโดยสมุทรอันผีขาดพิมพ์นี่ใบบอมันกับ่ไหนขันขาดพิมพนี่เดีวกะเล่ยโหจักค้อมบ่าวกันโบหุจักส่วนโบหจักปลายดลยโบวิโบวิภาษายังกันฉันสมุตินี่ก็เป็นประโยชน์ประโยชน์สมุทถึงมาให้เขาใส่ คุณ่อกค้นๆทุกคนมันกับนิสีต่างกันแกบอกมันเป็น้น่กันคำว่องเราจะคนข้นเท่ากันกันจะห้าหาห้าองการใส่หลุมนองเขาสั่งมันหลายค้นว่ะมันไม่นิสิตแยกออกไปเอาก็ดูค้นๆเกิดเมื่อวานนะมันกับรถต้องมีประโยชน์เขาตั้งเป็นไถ่ถห้าไปถึงเป็นคนเกาดอจานเราสั่จะมามีเราสั่าไอจันมันก็ต่อมานอกกันมันกับโบมา มันสร้าดประโยชน์แค่นี้เองนวลมันก็ได้ประโยชน์บางสิ่มันก็ได้เลี้ยงในเหล้าได้ครอบประพฤติบัติเกิดมาจากสมุดอันหน่งอยู่มันก็เกิดประโยชน์ให้เข้าใจในเลี่ยงสมุดไม่เลี้ยงยีมุดเองมันก็ไปได้เม่อสมมุดนี่มันก็เกิประโยชน์ได้เกิประโยชน์ได้กันแต่ว่าเรื่องความูลอื่นนี่มันไม่ยัง ยฮันเนี่ยตลอดทีว่าข้นเงี่มันก็บนนี้ยฮันมันกือเป็นสภาว่าอันหนึ่งที่นี่แหละสภาพว่าท่อมันหนึ่งคนมันเกิดมาได้เหตุเกิดกันใจมันเนี่ยมันก็จะเล่นเกิดโยคุณมาโดยเหตุเกิดกันใจมันไปกลางโยเลยเขาต้องข่วนเท่านั้นง่ายมันก็ถูกจะลายกลายเป็นธรรมดาของมัน ใครจะหามั่นกับอไรใครที่ปับปรุงยังมันกับโเป็นมัน่นได้จากพ่อป่นี่ยอันนี้จะเรียกว่าสมุดถามว่าสมุดมั่นกั บ, บ่บ่บวมีเรื่องเงี้ยบวมีเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติบวมีเรื่องมีการมีาน้ามีสีมีเ ส, สียงอะไรแล้วมีภาษากันตกลิเรียกว่าสมุดนี่สมุดบัญญัตินั่งเขียนมาให้มันเป็น ภาษาลูจักภาษาใช่กันให้สะดวกแบบไปเรี่ยวไปคือกันก็เงื่อนนี่หละสมัยก่อนแบ่งมัน่อนบนนี่แหลมันเป็นกลาดาษทุธรรมดามัอทนี่ราคาอีกอย่างเมื่อสมัยป้อมาวันวันเงื่อนอัดเงืนการมันเป็นก้อนมันเป็นตะปูเนื้อนักเียดหยาเหนียดยาดก็เรียนช้เอาบ่อนเอากระดาษนี่นะมาเรียนให้เป็นเง่อน ก็ปิน่นปิ่นแล้วอยู่แต่ว่าพ่อเนี่ไปอีกเกัอะสิครั้นี้พระ่าอ ง, งาค์ให ม, ม่ถือชึ่อมาสมุดนี่เขต้องเอากระาดาษเอาอกอี่ครั้งก็หลักแน้วไม่ถมันเปลีออย่ย น, อ, น, อ, น, อ, น, อ, นอีกส่แต่ว่าพิมพ์เป็นก่อนเป็นก่อนเป็นก่อนเป็นก่อนสักจงรับท่านเล่ากระิใส่กี่ครั้งกันถึงแม้มีวั้นประเที่จะมีจริงจิงกันกับพ่อคนกี่คาง เมื่ว่าจะแบมันแม่เอาก่อนสีไก่ที่กันเมื่อแฝดเห้มันเป็นเงินจากโมันเป็นเงิ่อนโ่หนึ่เป็นหนึ่แต่พอตีไก่เมื่อตีไก่ก็ถรื่องแล้วก็ตีขาขันหย่อนก่อนสีไก่เลยมันเป็นเรื่องเพราคนหนีเรื่องของมันมันก็สืเปนไปดูไปมันฟ้องกันทัรามดเป็นต่มันก็เรยกเป็นขึ้นมามันเป็นขึ้นมาอืมมันเป็นสมุดเป็นบ่วนเมดใจได อันนีเรื่องที่มันจเงินก็ไม่หนักไม่คจัดหนึ่งเดียร์จางๆเขาเดียร์วันเงินอื่นอีกหนงเดก็นอี่ิกบไม่จัดหึงเียอันนมันเป็นมากจรงจัะเอาแว่าสมุดกันสมากมันก็เป็นคาว่าน้โลกามันก็เดือดพราะกรณีน้ยมใส่กันเสรนมากยังก็สมุดต่มันก็เป็นมากเพอมันอยู่ในสมุมันนี่เอ้าใส่ยู่ใสสมุท ตัวเสมันเปลี่ยนีมันเต็มีมดหมันหูจักจีนกินจังเนจังหวามันง่าคนเท่าจังหวมัน่เพื่อเท่าบ้านเทาเขาขอเงิน่องเท่าลูกเสาเ่าร้านเท่านี้แต่สมมตว่าหลูกเทาเมียเท้าอเ่าน้องเทาจัง่าพนทานกิสมุดถึงมากดูันวตัวนริงจีนียว้านสดถึงธรามะแต่คนน่ะมันมาเรีนเเทาเดี๋ยวนี้เป็นว่าไงตั้งโมสบายหูสบายใจป็นไง ตัวเรื่องของมันมันก็เป็นอย่างสัตว์อีกถาเวาสมุดขึ้นมามันก็บมีราคาสมมุิว่าอันนี้มันไม่มีราคามันกับมีราคาสมุดแห่งนี้มีราคาสิมันกัมีราคาสิมันก็เป็นอย่างสัตว์ขอใหความการสมมุดขึ้นมาตั้งขึ้นมาในโลกนี้มันก็เป็นประโยชน์บางทีท่านั้นสมมุิมีสิทธิ์ว่ามันดีอยู่คณะจะใส่มันใส้จะใส่มัน วางสกลร่างกายเทาหนี่แินมันเป็นเท่าหรอกมันเป็ของสมมุติว่าแตนก็ะเนียนเดยเป็นของสมมุติมันเป็นของสมมุติอีดีหาตัวเป็นเล่าเขาอีดีมันกรบมีเหือก็ะีมีจะทำมาาตอนุมันเกิดเดกระจังอยอลไรมันก็รับไปทุก่างมันก็เป็นดอย่างที่มันมีเรื่องยิงกินยิงป็นจังของมันจังนสตัวว่าต้องคว้วนสี่ตต่อใส่มัน เยอะว่าแล้วมีที่อยูนี่พราอยังเพร อ, อาหารการกินของาะห้องกินอยู่ถ้าว่าชีวิตถ้ามันอยู่ในอาหารการกินหนึ่งเป็นเครืงรองเหลี้ยงมันเป็นปัจจัยร่ำเป็นเท่ากับสองจัดใครอันนี้อยู่ไอ้นั่นถํามีประโยชน์ในความเป็นอยู่ของห้องืึ้นกันกรับสกุลเจ้าถังสอนสระ เริ่มต้นอินิสังกสนเรื่องทบใจทีเรื่องนีวอดเรื่องยินทบาดเรื่องเซนาเซนาเรื่องเทศกัสยาบัมบัตโลก็ในที่เจริญนาขันเจา้าวลาเนี่ยไอ้เนยมือเศร้าไอ้่ยมือแรงมันดวงการมาแต่ไกลที่เจริญนาเรื่องอัน น, นี้เรื่องอันนี้อึนงเขจะหายนำนี่พี่จรนญนาคน ที่จะได้หน้าให้มันโหดจักว่ามันเป็นปัจจัยสี่เครื่รอเลียงร่างกายเฮาเบยนักบวชมันก็ต้องมีขานุงขาหอมอาหารการกบสันยาบําบัดโลกนี่คือยูที่อาศัยบ่เรามีชีวิตอยู่อันนี้มันก็มีจากมันบเมือ่อไรขาอาศัยที่ทางไหนลรานี่เป็นยูน่นะทำทางไหนจะด็จใสของเรานี่เป็นตลอดชีวิตของสันแต่ทำยาหลวงเลย ย่าอลงอันนี้มันเป็นพรอบปณิมันมีผลพรอบปณีมัจะต้องอาศัยอันนี้ไปมันจึงอยู่ได้คําว่าอาศัยอั น, นี่เป็นไปอยู่ไม่จริงมันก็เป็นแต่บัมเพิ่นปวนาปีเสวตมณ์ธรรมถินังชหน้ากรรมฐานมันก็สำเร็จประโยชน์ทำเมื่อไรไม่ได้นี่มันจะต้องอาศัยอันนี้อยู่มีเท่านั้นขั้นทั้งหลายอยา่าไปผิดอันนี้อย่าให้หลงสมมุดอันนี้อยา่าไปคิดปัจจัยเสียอันนี้ มันเป็นปัจจัยให้ท่นนยู่ไปอยู่ไปข้อเึงค่าวึงสมัยมันเดี๋ยวมันก็เลือกจากันถึงแม้ว่ามันเป็นของสมุทรกันสิก็ต้องให้รักษามันดีเนี่ยคำว่ารักษามันกับเป็นโทษมันไม่ทำประโยชน์เพิ่อยจังใบหนึ่งอะนนั้นกอยน่มันจะแตกอยู่แตกกระสังมันเมื่อทันนี่หรเมื่อเจ้าหนี้ติยึเพื่อให้เจ้ารักษาสวยเือไหร่ให้ดี มาาสวยมีอะไรดีมันเป็นเครื่องใสของทันาถวยมีไว้มีแจกทันทีเติมคนลำบากทึงเม่มันจะแจกแต่ให้มันซือยี่สาจะให้มันแจกไปอันนี้ก็ขึ้นกันสำนั่เนี่ยัใจที่รรพใจเจ้าสรรสอนให้เมืเราเราให้ที่หน้าเยืนอันนี้ก็ขึ้นกันในี้มันเป็นต้นใจส่งเสริมไปถวยเฉอาศัยของวันประิด เมื่อเราียุิดเยี่ยมนจ่องควาเยินสียงเสียจะจ่องอาใจอันหนึ่แปลว่าให้ท่านทั้งหลายหัจัดมันเมื่อไปยุดมันไม้มันมันส่วนยหญ่นั้นเป็นก อ, องขี้เหลดกัรหาประโยชน์มากดูในดวงคิดดวงใจของท่านให้ทานดูมันจรงที่พ่อให้ว่ามันสำเร็จประโยชน์ในชีวิตนี้เท่านั้นกับพ่อแล้วพอเป็นไปเรื่องสมุดกับเรื่องมีมุต้องเกี่ยวของความยินเสงสีเรืมมรเ่อยๆไป ถ้าหากว่าเราใส่สมุดอันนี้อยู่อย่าไปว่างอกว่างใจว่ามันเป็นของจริงมันก็จริงเลยสมมุดแค่นั้นแต่เราไปบุ้มมันเป็นไม้มันมันก็เกิดทุกข์ึ้นมาเพอเราเบื่อเรื่องอันนี้ตามจริงๆมันก็เป็นเรื่องเสพติดเรื่องมันติถูกเรื่องมันสิดพิดมันติดทุกกัน แั่งคน้นเห็นพิษเป็นถูกเห็นถูกเป็นพิษมัน น, นั้นพิดอยางถูกก็คือเป็นความผู้ไรก็เด้รู้หัวใจอันนึ้จะดีเตาต้องค้นั้งสมุดขึ้นมาว่าถูกว่าพิษบางสีเนี่ยเรื่องทุวเรื่องมันกะควนให้รู้เลยนะพอคพรไก้เจรียนมันเป็ น, น, นทุกข์ขันมาเทียนกับบ่งเล่านีทั้งหลายหนีมันกะจบไปเป็นคุนึกว่าถูกคุณนึกว่าพิษ คุณหนึ่งว่านทิศคุณนึ่งเ่าถูกยังสิข้อนเป็นจริงเรื่องเรื่องมันถูกมันทิศหนึงใจห้าข้าวบุ้หัวจั๊บห้าข้าวบุญหัวจั๊บเรื่องนี้มาที่ห้ า, าสิจับมาใส่ให้มันอยู่ข้อมสบายให้มันถูกต่องทำงานอย่าให้มันเหเียดเดย็นเจ้าของอย่าให้มันละเียดเดียนตัวอุ่นมันจริงกลางกลางใจสิมันก็ต้อ ง, ง ม, อมีประโยชน์เขาเ้าอย่าเนี้ย รวมว่ามันกัส่วนสมุดกรดีส่วนบรรยัิก็ดีนิมดกดีมันก็บล้วนแบบมันเป็นธรรมแตว่ามันเป็นของหยิงยโอนกันต่ว่ามันจะเป็นได้ขึ้นกันด้วยกันไปถ้าคน่นันว่าอันนี้มันเป็นสิ่งจริงจริงจริงล่าองมันบไหร่นันเพราะกระจายฉนถึงว่างวัะว่างไงว่าันมันคนี้ มันว่ันบนนี้เนาะมันถมาคติเนแต่ว่าใบอันนี้มันบนนีน่นมันถือบรมคติเนสเหตุเข้าใจว่าอันนี้มันบนนีนูนนั่นก็บนน่นเส่วที่หนึ่งแตปัจจุบันความเป็นธรรมะมาร่วมกันทั้งหมดในสกุลนรกนี่จะตามอดีจจาาอนาสสุจจาามปัจจุบันจารามมันจเดีกว่าปฏิบันทำเพราะบนมันจบก็คือบนมันบนนี้่งมันมันละมันว่างมันว่างพะละมันมันจบ คือเพี่อไปสร้างวานเนี่ยคุณมว่าทุ่ม์นันจะยังไม่เป็นผีบูบูบเป็นพบูบมบูบูบูนูบูมูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูพูบีบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบเบีบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูกูบูบูบูียบูบูบูบูบูบูบูทูบูบูบูบูนตบูบูบูบูบูบูบูบูบูบนบูบูบูบูบูบูบูบูบูบู คือพิงาพาสารพัดสิกระเด็นสมุติกันสินมากเมันเกิดจากสมุติฉินมากอยากให้หัวจสมุทรหัวาจบรรยัติคำพมีจริงทั้งหลายเรานี่ยจะหัวใจาวายเดือดอันนีจังเดือยสุดครั้งอย่างอนตจามันจินตนาลนองตรองซอพนิาพานนัทธ์ในระอันนี้สิเดือดังจึงกานี่นั่งทำสอนในข้ามใจของคนใจรักต้นมัน มันก็ยากอยู่บางคนมันมีความคิดอย่างนึงว่าสร้างอย่งนี้มัน <peek> ก so, ็แบบโบเนียนเดนบอกก็เมีนจะส้างนนี้มันก็แบบโบเมีนเนี่ยเขากอสืคนปล่อยใจเอาสื่อคนเ้ามันอตรนี้ท่านจบมันเป็นทุกข์กับน้าโบวางกับนาบพ่อยันเพราะมาเที่ยวเราสรางด้ยัเคนที่อคนยังเขไปในฟารเจียงใจมาฉัุกไปเนี่ยตามกันั คุณมีเรื bon cile, er ่อปัญหาเสมอว่าขันมยู่เพราะว่าไก่ผูกหรือไก่น่าว่ะ้ะสามพนมันรวมหัวกันกอไปเน่าไปเน่าขันนี่สิผู้เดียวนี่โบเหวี่ยงในงูก็ว่าจะไก่ผูกโบทราบดีดัว่าเลี้ยมมันไปอยู่ในสัตว์เนี่สามพน์มันว่าไก่เน่าขันผู้เดียวมันว่าไก่ปูกันีงไก่เน่ามันแค่น้าคือันนันจัะไม่มีปาก มันมีปาก็เปนั an ่นวะสาคนเป็นวท่งเ so ้านายเือโซเซเดียน้าเงู่อ่นยัตามขมูลผดขันวกันนัว่านอมันไกเมจงเอาเงนไปเ้าเอะๆใจใจได้เนี่ที่กับพ้ที่สุดตมันก็ชิทุกคนหนึ่งอ่ะอันนี้ว่าก่โกลอันีว่าไก่มนี่ยแ้กันซกันนึ่งดีผมไปใจว่ามึงเป็นก่ว่าแต่นจะกินตัวาหนได้ แตเป็นไก่เมียโดยกกว่าโดยเมื่อาจากขนวันไดๆแต่หาเครอสมุดกันัดมาลูกลักษณะจสีมันเป็นไก่ผูกดูลักษณะจันรสีมันเป็นไก่เมีถ้ารูลักษณะจันสีมันเป็นไก่ผูกไม่ต้องมันมันต้องขันจังสีไก่เมมันต้องขันจังสันอันนี้มันคิดไปในโลกข้อนี้จำไว้ถ้าข้อนี้จริงอีม่านนะกะมันจะว่าที่ไก่ผูกไก่เมียละมันต้องคิดเดียว ทำงานผู้ตามไม่โลกอาจารย์สมุดน้องกันเรีนก็หมอหันละมันก็หมอหมอคุยเดียวหละเจียมูมูลาบล้อมมูลาบุเนี่ยเนี่ยยังไงก็เป็นไามันก็บ่เกิดประโยชน์อีกอย่างที่หนึนันก็เรียนเพ็าะคนบว่าเพราะคุณจะเจ่ากันน้อยจะยึดมันถือมันมันไม่ยึดมันถือมันเมันเพทิได้เทวิวารไปพอก็ไม่ยึดมันถือมัน ม, มันจะเอาปัญญาแห่งสถานในบ่ยอยงนียากลำบากนี่เรียกว่าหยุดมันเป็นเกนของงามันต้องอาศัยสัญญาแหลมเข้าไปชี้เจริหน้ามันจะไปกัญญนได้งานนึงก็พอวันเท่าฝุกทุกขึ้นไปส่กของหนูมันจะจินอยู่พัปหนึญญ้งถ้าคิดไปแลวมันก็ มันน่วจะพูดนี่หน่อยพูดนี่หลายหรอกมันเห็นมันเปัญญาของคนก่อนว่ามันถือทุกมันถือทุกมันถือสบายมันถือ่าสบายมันจรดวมทุกทั้งหลายได้กับพ่อปัญญาปัญญาไหนมันเห็นไหนมันเห็นการเป็นผีของมันเช่นั่นพระพุทธเจ้าจะในโอปุ่มไหคีติระนาไหพาวนาพาวนาแต่คือ ให้พยายามแก้ปัญหาทั่งหลายราหนีของมันถูกต่องของมันเรื่องของมันมันเป็นเรื่องสี่คือเรื่องเกิดเร่องเกีอยวเรื่องเจ็บเร่องตายมันเป็นเรื่องของธรรมดาธรรมดาเฉนันงเป็นเรื่องสี่ของมันเป็นยังไรชี่จะหน้าเรียบเฮปาวน่าต้องกิดคอนแก่อนเจ็บคอนตายบางคนบอกใจว่าที่จะหน้ามันยังสบายเร็บก็เหงเ้าก็เจ็บอยตายเหงวเากตายอยู่ อื่แี่แตมันเป็นเรื่องของธรรมดาด้วยเกินเรื่องคนจริงด้วยเกินมันเป็นจริงถ้าหากว่าผู้ไร้เมชื่อหน้าเรียวเราเราอยู่จริงมันก็เห็นหน่วมันเห็นมันก็คอยแกะไขไปเป็นธรรมดาของมันเรื่องมันเป็นธรรมดาเรื่องหากว่ามันตีก้อนยึดมันไหมมันดูก็ดีขาเรา นี่ปัญญาเห็นว่า ม, มันเป็นเรื่องของธรรมดาเย ม, มันก็บรรเท่าทุกข์ไปเลยมมเอย่างเราศึกษาธรรมะในเสวียแก่ทุกข์แต่พอเรารักพุษาษาทธศาสนานี่ยก็บุ่นีหอย่างนี่จะเรื่องทุกข์เกิดก็ทุกข์หลับเรื่องทุกข์เกิดเรื่องทุกข์ดับเท่านัน้นมันแก่ เ, เลยมันก็มัมนก็ไม่เรื่องเท่านั้นมันมีเรื่องห น, นจนักเป็นสัะธรรม ชาติทุกขาสิาีทุกขยันที่ทุกมรณทุกเรื่องทุกอันนี้จะเรื่องคนเราเห็นมันเป็นการแตาทรชาปนก็จะเป็นทุกเรื่องเสียชีิตมานานมายเสียงกันหนึ่งกัเดีกว่ามันมันไม่จบหรอกมันจบมันโมุิเรื่องิงเียงิใจให้บันเทาสบายสบายลงไปเนี่ยข้าก็ต้องพิจหน้าบนเรื่องแค่พานมาและเดืองปัจจุบันและหน้ากอดือมันเป็นไป คุณหลักู่ซึงกอนเกิก้อนแช่ก้อนเทิดกอนตายเทิดยังไง่ะนั่นสิ่งทว่าให้เป็นห่วงเป็นหอี้กันคนกอเป็นห่วงเปนหนี้ซึ่งกันแว่าอืมถ้าหาว่ามุขค้นึงมากคิดไปหน้าให้มันดูเศร้าตามความเป็นจริงนั่นไอ้ถูกทัางหนามันกระจานเท่าลงไปไม่ได้กอดเทวาการท่องคิดในสมรการท่องคิดในสมรส ที่ว่างนั้นพ็ดีนะนั้นพ็ดีตังใจเตนใปร้ายนั่นแหะเล่ก่อนเตื้นใจน้องกันมาถึงนั่นขาด้อมพอดีนะทั้งหมดที่นี่น่เป็นของยยดระยูน เป็นของเป็จุลยก่ามันไหลผัวอยู่ดีๆเทน้นจิตใจให้จงมีกำลังค่านจิตใจให้มีกาลังท่านตายแล้วให้มีกาลังตางกันท่านหลังกายให้มีกาลังออกแรงตายบริหาร มีการเลิดการยง่านหลังตายแนี้กาลังท่านคิดนี้กาลังต่อให้่า น, านิตให่งสงบแม้ท่านจิตแห่งคิดเ น, นี่ยคิดห น, นึ่งไปต่างๆแห่นี้ไม่ขอบขอดเท่านั้นแต่ว่าจิตแห่งโลกเข้า่อนย้ายสบายมีโลลนา น, านี้กาลัง มันเนวันนี้คําม่างามด่านสมาธิข้างนน้นวัดหนี่ให้ท้ามสมาธิกอตังใจให้อาความรู้สึกรู้หล่ข้มรู้สึกถ้าหากว่าเราหายใจตันเกินไปดีเยาเกินไปนั่นก็บอกพอดีมันโดยทั้งใจเตืนนะ มันก็ไปเกิดข้อนาติดชวยกันกับห้องยึดจักรังกาวเลยอือคืยึดจักรี่อยึดให้เข่าไม่ใช่ยึดจักรเตาเพี่งเท่านั้นแต่มันยึจักรแต่มันคล้องช่างเข่าขอางห้อกันนะแวเอาขามายึดอำเ น, นิดเริ่มหายใจต่อไกันหายใจกินคือกำเนินดคือ มั่นสิ่งก็ดีจำได้เน่าจำไรสันํำไรมั่นสิไอมั่นเน่าจำไรคอยจำไรเน่าจำไรั่นสิเ่าเข้ากับบัวเอาน้ามันมั่นสิสันกับบเอาน้ำมันมั่นสิคอยกับบเอาน้มันเอาน้ำคว่ำพอดี เอ า, าเงาพอดีเอาสันพอดีเอาคอยพอดีเอาแหนพอดีนั่นคือว่าควบพอดีไม่าได้คัดไม่ได้อของก็ปลอยหายใจจนจะก่อนว่ากองเลี้นงถ้าว่ามันสบายแลยพอดีเลยยกเอาล้มคือม่นหายใจเอาออ ก, กอยู่ืนเป็นอารมณ์ หายใจเข่าต้นร่มมันอยู่ปลายจมูกกลางร่มอยู่หไท่เูือนหัวใจปลายร่มมันจะอยู่สะดืออันนี้เนแรงทการเดินลมเมื่อ่มมันออกมา่ต้นร่มมันจะอยู่สะดือกลางร่มมันจะอยู่หัไท่ปลายร่มมันจะอยู่จมูกมรับกันเมือหายใจเขาต้นร่มมันจะอยู่ปลายจมูก กลางมมันคืออไคหม้อลมมันพานเฉลีตะานอาไคตะพานตะรีทิดแบบนี้ัดมาสาตันให้คห่อมรู้นย่ในสามตันเตื่อสายอใสาตันเดือยเพื่อครอบเพื่อักราอมรท่านสกุลท่านสันัญญาท่านหอยตา เมื่ากว่าห้ามกำเนิดหยุดแลห้ามหยียดต้นร่มกลางร่มปลายร่มดีเลยพอสมควรห้ามอว่าห้ามหายใจออกที่เขยหายใจเอาออกที่เขยเอาข้อหูวห้ามไว้ใจจมูกหรือดึงีบปากทางลนเอาจีบเลมผานออกผานเข่าเอาข้อหัวติดท่านั้นไว้เอ เมื่อต้องตามเลื่ม อ, ออกไปไม่อต้องตามเลื่มเขามากเอาค้อมู้รู้นั่นไงว่าะเาะหนาตายสนกเอาจะเลื่อมมันขานออกขานเข่าขานออกขานเขาเมื่อคิดอีกย่างหนึ่มากไเพราะนนี้วามือตุึกเท่านั้นคนเห็่าข้อมกคิดต่อครับเล่อม อ, ออกไปเลื่อมเขาไปไปใ้ยกัน ต้องจิตมให้ไว้แล้วจตวิตเป็นอีหนังสิตเราจะแก้หน้าจิต่ปอาเท่านั้นพ่ะย่ะ่เื่นี้นานจิตตมนั่นเท่น า, า, น, น, าออนี้เท่านั้นโดมีหลายกำหนดล้มเสาออกมีเท่าหรต่อไปนั้นจิตมนันจะสงบล้มมันก็จะละเอียดข้อไปน้อยข่าไปไกลตัเบาข้อไป คิดต่อสบสงนข้อเากายเบาใจเลยนันต็สิินมาเนื่นสิทเป็นกายข้อมแก่การง่ายมันสิเป็นคิดข้อมแกการง่ายต่อไปอืมการทำอืมก็มันถิเราต้องรลือกยงเงี้ยแต่เราต้เสอเมอืมเอาใ่ไัตวสังใจขึ้งแบบเนือกแบบ สาไโซพโซ่คนสกันสงสัยเองว่าไม่เรื่องคิดไม่เรื่องการภาวนาของเจ้าของเนะี่ยมีเรื่องสงสัยบ้าคิดว่ามันละเอียดเข้าไปการทำสมาธิมันจะไปใช้กับางมันให้ให้ฮั้นโหวมให้ฮันรู้จักมั น, กกมนอ่า มันก็มีทั้งอารมณ์มีทั้งความสงบมีทั้งอารมณ์คลุกคลีกันไปมันมีวิตกตกิมกจกคือมันกิจยกคิดเกของลึกทั้งอะไรอันหนึ่งใึ่ไไ ม, ม่น้อย แล้วก็ภาสติก็ห่างหน่อยนั่งไวยุตกหน่อยๆน่อยแก็จะมีวิจารณ์คือกันตรวจส ด, ดูตามเรื่องไวยุตกเนี่ยโดยก็ทั่งเป็นอารมณ์ อ, อ่ อ, อนๆสับปนกันไปเป็นธรรมดาแต่ขอสำคัญว่ า, าความรู้ของห่างเป็นของที่สำคัญ น, นั้นจือเป็นแม่ลักษณะอันใด ก็แห้อยู่เสมอแล้วก็น่งองลึกต้องไปอีกว่าจะเห็นอ่าอยู่เสมอว่าควอมก้านตั้งมัน่นว่าเราทําอะไรอยู่ ม, มันมีควอนตั้งมั่นอยู่บริสต์ได้อยู่เสมออืมว่าไปรู้อยู่บริสต์ไดอยู่ ก็อท้ามันเป็นยุตกมันยกขึ้นมาเ้วก็ต้องเป็นมีการรับที่จะได้สิ่งทั้งหลายอะไรนะก็ยังให้ก็ตามมั่นก็บอยู่ในความสงบแลยครับอยู่แลยวันนี้ขอบคิดเอ้นทผ่นก้าไว้ว่าการทำสมาธิยึดสงบวางแรก ควาว่าผิดยึดสพบ น, นไม่ใช่ว่ามันในนีอะไรมันตรงีมีความสงบครอบอยู่สัน้าวิ่งองค์ของขั้นสบงบห่างเลยนึง ม, มันมียตต่ยุบยกอย่างเลยบบนึงขึ้นมาแล้วมันก็มีกจารที่จะง่ายตามอารมณ์ผีมันเกิดขึ้นน เร่องอะไรต่างเงินยิ่ขัเปลื่นนี่น้อย น, นอยแล้วก็ต่อไปมันก็มีค่อยิด่ดีในสิ่งที่เราปลูกไปนในสิ่งที่เราจารัดมันจะเกิดทิี่ขีดข้อยิ่ดีสะสมอยู่โดยเฉพาะของมันราะว่าก็ ทุกยุทธ์ใทุกยิ่ต้องการยึดตกทุกยิ่ต้องการยึจานทุกยิ่งต้องมอิ่มใจทุกขับอารมณ์นั่นแหละแต่ว่ามันทุกในข้อมันสงบมีทพกกต่ยึกในคอมันสงบวิจารแต่ยดจานี้ในมนสงบข่มอิ่มใจแตอยู่ในคมสงบทุกแตยู่ในมนสงบทคือย่างนเป็นอารมณ์อันเดียว เจอว่าหายางเจอว่าเป็นอันเดียวกันคือทั้งๆหายางเานี่ยมันเป็นอารมณ์เจอว่นนี่รักษณะกันยันนอบกเปอันเดียวกันคือให้จิตตั้งงบมีพบกว่าี้มีการกว่านี้ดีกว่านี้ทุกก็่กนี้อารมณ์เดียวกน็นี่ข้ามือว่าอารมณ์เดียวยังเป็นอย่างนั้นก็มีหลายอันถึ่มันอารมณ์ันีาา้ มันที่หลายอาการกระจ่างนั้นอาการทั้งหลายเหล่านั้นมันถี่นร่วมอยู่ในข้อมสองบอันเดียวกันบัวขุ่นจ่าวัวต้องข้านน่ในลักษาอันนี้มันถี่ยื่นยีโต๊ะยีจานควบคู่กันไปมหมายความว่ามีคข้นต้องหาขน ตัวรักษ า, าของคนหาคนนั่นก็เป็นอาการเดียวกันมันทีนมาา่มีอารมณ์ทัหาอารม์อารมณ์อันนัน้น่าถึงที่ทมีานูวะองค์องค์องค์การองค์การของควอมะันเองทั้งเรียว่าอารมณ์ทั้งเรีว่าจิตติทั้งเรียกว่าปุกมีจานจิตติปุกอิจานกตามทังทั้งหลายว่านี่นันมันมันคือจะเป็นอารมณ์ ตามธรรมดานัท่านจิตจัดจัดเป็นองค์ของค่วมสงบท่านบริจัดเป็นอารมณ์ท่านจัดเป็นองค์แห่งการสงบไม่มีอาการโยหายาอ้อย่างนั่นยตกมีการดีดีสุขอีกตะกตาไม่เลยลำพันธ์นั่นยุบตกโยกับวระลำานันธันมีการกับวระลำพันธ์นั่นดีดกับวาระําคานมันมีความสุขกับวระลำพั น, น จึดยึงเป็นอารมณเดียวยสิงต่างหากจับว่องนๆอยู่รรรเริ่มยึสงขังแล้วตองเป็นวิสทธิี่อีบางอย่างมันกระถอยมากชาเขาก็ลังใจรบกามันก็นี่พร้อมรู้สึกอ่อนๆเดี๋ยวมันที่อารมณ์มาทอดออกเป็นบางครั้งใครๆกเว่ามันเคิ่มไป มันเค่นไปหรือมีอาการอนี้ขมัดเสียบไม่ถี่มันโค่นไปแบบโมามันค์่วงง่วงตามธรรมดายตอนนี้่วงเคลื่อนไปนี่ข mm. ่วงไกับแบมันก็บนีไไอนน่อาการอันนี้มาเสียบ ก, กัไปเช่นว่าอย่างหนึ่งคือบางที่มันมีเสียงปรากฏบางที่ก็เห็น คัอเนี่ยเป็นังินพันไปจนสุดนะอปลว่าได้เงนใจเขางหมแตก็บว่ามันฝันมันเงินมันฝันอันนี้ก็เป็นฝันหไดเอืมนี่เรียกว่ากาลังช่างฮานีมันมาสม่ำเสมอกันไม่นักเสะออันนี้คิดทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายมันอ่อนลงอ่อนเกินอืม มันไม่เกิดอารมณ์เขาแค่อันนี้เป็นอาการของจิตคำ น, นั้นมีความสงบมันก็มีสิ่งหาสิ่งเป็นบริวาร น, นั่นเองก็เป็นบริวารแต่เป็นบริวารวานในความสงบอันนี้เป็นอื่างแรกความสงบเรานี่ชอบอยากจะพานโดยธรรมชาติของเาพานเก็ดธรรมดาอ น, นี่มันพานชอบอยากจะนี่ ปากติเมื่อข้าสิดข้าวอืมตองรดบเยอะในครันนี้กรอบเมื่อเรื่องช่างช่างจิตเรื่อง่างตาั่างหูช่างจมูกช่างลิ้นช่างกายาช่างจิตครอบเป็นว่าโตสิท่านสมาธิมันรับไม่ไปถูกว่าม่รับบะกำบเรียนมันฝันตัวบ่กำรเรียน มันยังไม่ยังไม่แนอันนี้มันเป็นอาการชนะเกิดจากข้อสงบส่วนกลางๆก็ได้มาที่แต่คนใช้จนท่ามรามันนักับพวกที่กันไปเขาข้อสงบกับอารมณ์ทั้งหลายบ้างแต่นั้นยั่ไม่พอสิทั้งมันว่ายังไงก็ตามเฉ่เพาะเรื่องไม่มาทำสมาธิยากเพราะงี้ พอจะริบคัอืมจะกิดก็เป็นสธิก็าบริหารบสบายงอนสนาสิอ่ามันจะิโคสบายงอนเพราปัญญาอืมอืม่บมากเพราปัญญาข้อคิดเห็นวอจริงของมันโดยจะแัหาถูกตอ มันเป็นปัญญาโดยเป็นตัโตอมันถึงมีความสบายทุขยั่งเกิดดยเกิดเป็นเป็นแนวทางของปัญญาสมาธิมันหน่อยแต่ท่ากับว่าการนั้งสมาธิว่าอันนั้นเป็นยังไม่นอ น, น, อ น, น, นวะได้แก้ปัญหาในหน่อ ย, ท, ย, ย, ยออทัานที่ได้สบายกันได้สงบนี่ลักษณะผงมีปัญญาจะเป็นยังไงกน ในขัน้นสมาชินี่บกคัยได้งางแต่บกคลยดีมากเจ้เว่ามี่สมาธิเจ้ว่าเป็นเฉพาะว่ารอเรียงให้ปัญญาเกิดเ็นม่ไหร่โดยมากถ้อมันอาศัยปัญญาคันั้นว่าขบหน้าขับให้่ลยขันย์ดูขบหน้าขับสวนเกิ อ, อ, อ, อาศัยหน้ามากขักวสวน เรื่อว่าเห็นหน้าก็ให้แต่คิดจะอาศัยหน้ามา ก, ก็ให้ไม่เรีอกของเฮาอาชีพของเฮาด้วยการใช้หน้าของเฮาดา้วกันเมื่อคิดจะอาศัยกันยากแ่้ปัญหาแต่จริงเห็นก้อนจริงบก้อนสงบเป็นเกลืมากนั่นไปยังสัตวธรรมดาก็ต้องเป็นเหตุมนันต่างกันบังคนนั่นนี่ยี่ปัชนา ปีพันนาแรกนรี่ยจะสงกันยาสมาธิเขเป็นฐานมหล า, <ม>ายใคอันนั่งนสมาธิว่วเขาจะหนขับี้ข้อนตรงแรงแก็นี้ความจิดแบบนี้กันญาครับอันไหนหน้าที่จะหนา้าครับดวงหนีหน้าที่จหนา้นาลอกเขาที่หน้าลงโทษควเขาเห็นความถกต้ อ, นนองอัน น, นั้นสิตเปนี้กาลังกว่าสมาธิอันนี้จะยึดเป็ น, ง น, น, น, นึงะ นั่นคือยืนเดินนั่งนอนอนุตตรธรรมนะความกต决ธรรมนะเดินไปตามเดินไปตามนั่งไปตามนอ่งไปตามอันนี้ก็เรียกเป็นญาติเรียกเป็นญาติเป็นปู่มีญาติความสามารถคือเมื่อเกี่ยวของกับสมาธิกระละปรากฏเป็นยังไงญาเห็นไปได้เห็นไปได้กละไปได้ แตองบปไปเลยมันค่องสบายเพราะอนกนามันเห็นสัตว์มันเห็นจินเพื่อมันยืนยันเป็นพยานเจ้าขอ ง, ง ก, กันไดมี่จะดิษฐ์ควึเนไปทอย่างในกระชังน่นมันก็ถึงท่านล่ข้อ เ, ห, อเห็นผิดออกหรือไปข้อเห็นถูกท่านล่ข้อนสงสาิดออกห๋ืไปข้อง มันก็ต้องไปตือจิตอันเดียวกันบางคนกันง่าหน่อยนางสมาธิไหวง่ายสงบสงบเรื่อยๆไหวแกบอกคอยมีกันญ่าอเมื่อท่านเกลียดทั้งหลายเมื่อเร่นงของเะลียดทั้งหลายแกปัญหาบ่อยๆนันม่ขชง่ายัริงๆพระโยค่าวาจรเจ้าโคกปฏิบัต ม, ญญ ม, าามันก็เป็นครกันไปดเดยอไปความปรญญาอ่าหรือสมาธิทับนีปัฒนีนี่มันก็ต่างชินกันไม่ไรขาดเดียวกันไป ด, ไป ด, ไปดเดือดไปอย่างนี้คือเ่องที่ ม, าามันชัดแจนงม่ค่อนสงบทานนี้อารมณ์มาฟานนี้มียดถิมมาฟานนี่ไม่มนแหละสงสัยว่าเคลื่อนไปบวมหงษ์หลงไปบวมหงลื่นไปบ ว, ว, ปบ ว, วม รับไปวอร์ห okay, well, ์นิขณะนี้สงสัยรับคือว่รรับเตือนคือตงใจเือนมีมันคุ้มเครื่อมีแต่มันมั่วสมอยู่กับอารมณ์โปรแกรมใส่ชส่อกันคับเดือนทั้งเสาฝ่าน่าะองเห็นเดือนมีแต่เร่องจอนของเดือนเหนโ่รแกรมแต่มั่วม่วแต่มันวอร์คืเรียนมันนันออกจากผีรืด วยนใสสะอาดคิดว่าสงบมีสติมีสัมปชัญญะรอบครอบกันเดินแล่นั่นคื อ, อเริสุทั้์ใสในอาการทั้งไายถี่นั่งเกิ ด, น, น, ดกนั่นคือมดอยากมีว่านจริงๆว่าอันใดเกิดอำนาเป็นอันใดมดทุกอย่างรูงบแจ้งรีเรื่องตามเป็นจริงบอิสุทธง์ใสเนือ่อพานน่าจะจีรนอนบอ่นนห่วงรี่ง่วง เห็นมือว่าเห็นเป็นอะไหนฝันนี้ว่าฝันเนื้นี่ัอเหลือของนั่งแกนแกอันนั้นเป็นเรงคิดที่ใจสะอาดอืมเข้ามาถือถึงสีเดบยดเป็นเนงินทองอืมไม่นังหลังมันเนี่กจะเป็นไปไม่ดีกว่นี้ข้างนอกนี่อืมเป็นเรื่องของธรรมดาของมันอืมก็ก็ยังมีความสัมพันธ์อยูก็ยังมีกระถาอยู่มีความอยู่ด้ยู่แก้วแกนแก่ มันขาดาขาดดวงยึดขณะนี้เนื่องวางา่าท่านขาดท่านากน่องว่าโดยจแจ่มันจึงมีงความคุ้มเครือกันอยู่ตลอดไปกาคิดมันแจ่งแจมนั่นคลองใสแล้วว่าเราถามว่ามันง่วงหรือบ่ง่วงเงีนรืร่ไม่เงีนทั้งหนายเนี่ยนั่งก บ, บนนี้ย่งนี่เพือนั่งัดเี่น่ืนนอนางธรรมดาข้างนังเห็นธรรมด า, มดาบัตรกาต่อเพื่อเรืา เห็นในลานนักตาแต่ผู้คนก็รื้ตามันเห็นทุกอย่างสารพัดนั่นจะเป็นก้อนสงสัยึะกอัตจันทร์เห็นในดวงจิตเกี่ยวกับว่าอันมิตรดุอยาง้มันจะเป็นของบ้านใดนั่นเวน่าจะเป็นไปไา้นั่นเป็นของม้นนใดอันนี้นันสุยภาสวิการนันเดินดูดไปทั้งนี้กัตถะทั้งนี้สีตอันนี้ก้อนทุกมีก้อนอินใจมีก้อนสงบืม่ ป็มอตอนนีไปหยมันเอไอ้พืมไปตรงนั้นองกับทีินอาบุ๊กมันตรนั้นมตกมันอยู่บนี้ด่างยกกันหน้าแล้วมีจานย่างที่กันหน้ากันหมดนั่นค้อเรื่ององกาอินใจอินจันกยม่อินยังไงไม่เห็นอินเก้าควมนตกก็อาเล่นเดียวนีมันถีบไปมีพจานมันถึบไป่ไ้ตนั้นเรงมันถีนมัน เื่องคลเท่าหดปวก็มาทื่มันงสงบก็มาอารมณ์อยากเรื่องยุติกรุจรันี่เป็นของยากบบนั่นแหลนันเขาว่าเร่งี้จะมีเมืไหรามันถึงยุติกรุยว่ามันถึงยานที่นี่นนมันมียุติกค่อนี้มัมียุจนการพิจารณาบนี้นี่เปข้อนึงแบบมมีความุกแบมั น, นมีอารมณ์ันเดียวสเสมออยู่กันนั่นก็ค่อยเคล่อนไปเร่ยะกัน มีอ า, อ า, อากาอย่างอาการการท่ำหมากจะเร้นหมักคึ่งจิตนจการอารมณ์ซึ่นพระนีจหลายได้เขาคือสติเ ต, ตนี่เป็นท่านป็นสภาว่าท่านอันหนึ่งซึ่งใ้ท่นอันนี้ ท, นทั้งหลายเกิดขึ้นมาโดยความเที่องกันหน่นอนยสติสต สตินี่ก็ชื่อชีวิตภาขาสติมนอะไรก็ชื่อตายภาขาสติมีอะไรก็เป็นเส้นประมานไม่รลวังขาดสติเหมือนพูดแล้วมีความหมายการก็ทํมาม้นมีควมหมายนะท่านเคื่อนสตินี่ที่ควบอดิษฐ์นี่ยไลักษณะอันเดีกวตามสตินี่นนานานนเปนเหตุให้เส้นประัญญา เดืดถึงแม่เลยเกิเหตุของปงัญญาเดือดถึงแม่ไลยทกสิ่งสารพัดท่านทั้ททท ง, ท ง, หทงหลายชาหกขาดจากสมาธิเดือดท่านทั้ ง, งหลายเป็นเนืน้อสมบูรณ์อันนี้นคือการกวบคุมการเดนินการเดนินการนัง่งการนอนเราจะพูดไปเพเที่ยงว่าเล้านั่งสมาธิเมื่อเราออกจากสมาธิก็เลยอันนี้จะเป็นของประจําใจอยู่เส ม, มอมีความรู้อยู่เสมอนี่อยู่ เลือนของอยู่เสมอเฮ็ดยั้งกันนำมาละว่างเือแมันละว่างทั้งคิดใจนั่นควบอายนม่นก็เกิดเกมาการผลูกยาการกระทำอะไดนั่นถือว่ถูกต้องเนื้อายขึ้นอายสิ่เนื้อควบอายกับล่งกายเห็นไหมส้มทั้งยอนมันก็มากขห็นไมเื้อควบันย่ดม่นมากเห้นไหมควบจนมากนั่กับนีญ คุณเนว่าเราจะบรินังสมาธิอยู่ตรงนั้นแล้จะไปสร้อยกางอันนี้มันมีอยู่ใน่คดสอนประกอบนันริหี้เทใสมีพลางจะเริ่มปฏิอนั่นนลังงานจะเริ่มพลันงาอันนี้เป็นธรรมะคือโครงข้องรักษาวิจารจะคือรักสั่งอยู่รักสั่งมาแลยรักก็ไม่สั่งอยู่เยในปัจจุบนันนี้เป็นธรรมะคือมีคุณประโยชน์หลาย มาไล้เกวยุติถเนี่ยมาได้่ด็กตวยุติถุเนี่ยความเห็นจิตศามันกะมียุติถุเนี่ยควานเห็นจิตศาสตย์ยุติถเนี่ยมี่เปนหน้าก้อนจะไอกินสีนั้นจิซึ่งทีอะไรนั่นอะไรแบบนี้แล้วก็ปัญญาเกิดปัญญาเกิดมันก็จะเรื่อนขมานีาในงจนมันว่าส้นตอนนี้ตอนนี้ในร่องยากขมามันงั มีศีลมีสมาธิมีปญัญญาคือการสังวนัง ว, นว้ที่มยึดไม่คิดของตขาเนี่ยก็รีกว่าศีศีลชังวอนอืม่อม้อนจอังใจมันไวนในการสังวอนชังว้อนไม่ขอวัดของเรานั่นก็ดีกว่ามันเป็นสมาธิว้อนรับรูทั้งหลายไม่คิดเหตการจะไดมีอยู่นั่นก็ดีกว่าปัญญาอืมถอดเป็นอาการเยาะเยมากมันถึมีศีลมันถึมีสมาธิ มันจะมีปัญญานะก็ดีสมาธิก็ดีปัญญากรดีเนื่อมันก้าใอันนี้ก็เตมัดนี่มันเป็นทางต้นมันก็คนมีหิ้ก็คนมีโตโจอันมั่นก็คนมีหนาก็คนมีห้องก็คนมีสมก็คนมีหวานก็คนมีขมมันเป็นของคนเนี่ยนมันสปของคนอยู่แล้ว ใจเขาเห็มันมโหฬีบองมันมโหีใจเาหฬีใจเามโีขอมันมโหฬีใเขาโีให้จับใจเขาใจมันจับใจเราเป จะเป็นลินดาอาตาจป็นสื่อผู้เผาเชี่ยเผาเผาวันต่างๆนานๆเต็มไปเต็นสั่นเต็มยงาเต็หน่อยเต็นเงาเต็มโกนเต็มตันมันมีสินะครับมันของพอดีของพอดีว่าทีริงทุอย่างเข้าใจพวกเองทาได้ง่ายทำจะได้เหันง่ายก็สิ่งะรกทมันง่ายแต่จะเห็นมันง่ายก็สี่งโกนปิจุ มันเกี่กับปัญหาที่ข้อมยาพระพุทธเจัาจะให้รู้จของให้ี่เจ้าของยาไปือเปี้นให้สจุของน้นจของดรน้อาผุหนงายาก็เ่ังนี่ละาบงกผนีละา็อนีละหาบบานี้ละสเป็นเาไปนรู้เันเขาอ่ มีหนักบ้างไหมอะไรก็วันนับอกกันหน่านผู้อ่นไม่ติดใจไม่ส่ใจมากเนี่ของกันหน่อยวหนไม่ไปหาแล้วม่ไหาหันไม่เนไม่ไปปลูก้ามันจังห้อยหักน้ำหอวันกิเกิดว่าท่ว่าเาันากมันโต่างวเนี่ยนี่ แล้วกนเปีอยู่จนเป็นว่าเห็นไเป็นกระตนน้ำมันอมันไม่เท่าไหมันไม่้ม่าันบ่อไมเท่างมันบ่อมันจัย่างไอ้เียวก็จะขอเงินไม่จังย่างหน่งซื้อจะขอเงนเี่ยนจะขอเงินเนี้ยบอกไก็จะท่นอกผมันมันมินเล้งมันเท่ามันหน้ามันเท่าเลยมันเปลี่นเ่าของกู ข้างเวทออกจากเท้าเวทแบเทาปุ่ึ้เทาเตี้นงเงาก็เลยหนักเด็ก็่นัก็มั่นมันหนัล้วเท้าเนาะเนาอี้มันคเยอะิยเาินว่ามันว่ามนีเรื่องว่นวายมันมันมแเา่นบ้าัมีเ็บญไม่เลว่า่นห นีมันีนี้คนเรื่องกันไรขั้วจับเกี่ยวันก็ไรมันจะเรอย่ะนี้ไใชวงานยมันเขาเานอยพอเี่ยวครนังเอาแลคิดได้เดียวน่ยเด้่มีแม้ห่างกับนมันมีแม้พ่อดยก็ด้เพรนั้นมันยากมเป็นเป็นหนาาคมากพตรงจันมันยมันยากเพมันไ่ได้ถะาะมยากเพราม อาจารยว่าหนูม่เดกันจ้ากันเออว่าแต่นีเเออน่ะนี่ข้าก็ดีขันเสก็่มีโน่ะนี่จะเรียนเนีเดียวข้าอยูนโลกอยู่เมื่อกีนี่ข้าันยเสออยู่เกี้เอา้าวบดีสนนี้เหมือนกันแตาบดีน้าเหอนดียวนาะว่ายนโลวันนี้มันอยมื่อี้นี่ฮะยัอย้ คนโตเกียจแ่โตงัเนื่อยเนาะโตไปที่ไม่รู้าจะว่ามันบุ๋มทหน่อยเวันเหนื่มันที่นี่ยล่ะคือึงเด็กเป็นธรรมะว้าุอย่างแต่นีคนเราที่เป็นธรรมะคนเราตัวกัเป็นธรรมะไม่เป็นธรรมะว้าจัวะมาเฮาเวกัเป็นธรรมะเลยมาเฮน่นเป็ธรรมะ เดี๋ยวมาเดินก็บางทีกเปใหานท์ตรวจเนี่ยน้าเขาเด็มาดูดีแต่ไม่ไหวเนี่ยเขาวีนวัากเัวว ดูชาวตางก็คิดบาาาามันเมนจะสังได้เลยถึง้เนี่ยมันจตัวตัวันเดก็ดตไม่รปดได้ดัมัเด็นนบกีนันมันบายมอะไรเดมเลยเอรองเนี่ยนีูกไม่ไดู้